เทศในบรรพะก่อนพูดถึงเรื่องหลักปฏิบัติคือว่าถ้าหากว่าการปฏิบัติมันมีหลักใ้ชจะเหลวหลักเป็นของสําคัญทําอะไรทุกอย่างถ้ามันมีหลักแล้วถ้าจะเหลวทางนั้นงานในดๆเหมือนกันทางนั้นนี่ละ ว, ว่าเฉพาะทั้งเรื่องงานปฏิบัติ คำว่าหลักในที่นี้หมายถึงเรื่องหลักธรรมคำสองพุทธเจ้าพระองค์เทศสนามีหลักยังได้อธิบายด้มีทั้งหลักมีทั้งแรงไม่ใช่เพียงแต่เป็หลักแรงนั้นถ้าพูดกันตามภาษาบ้านเราเรียกว่าเชือกสำหรับผูกเปรบกับหลัก เช่นปลูกควายพอควายแล้วก็ใจปลูกใจหลักอันนั้นเขาเรียกแหลงคำพูดทําตามโครง้าใช้ทั่วไปแรงคือบริเวณอ้อมแอ้มที่อยู่นั่นน่ะอ้อมอ้อมหลักมันเรียกเขาเรีแหลงอันนี้ภาษาคําพูดให้เข้าใจคำที่ว่าหลักว่าแรงคือเพื่อจะให้เข้าใจในคําที่ว่าปฏิบัติให้มีหลัก ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีหลักมีแรงหลักคืออะไรก็ฝากลงคีดตัวของเรานีหนิละตัวของเราเป็นตัวหลักอยู่แล้วแรงก็คืออ้อมแอ่นในตัวของเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลอะไรเห็นนั้นจึงได้ขยายความออกให้ฟังในวันทระแล้วนี้ว่าหลักคือตัวของเราอธิบายทั้งเรื่องธาตุสี่ดินน้ําไปลม ขยายเนี้อของเราไปเป็นอาการสามสิบสองคงจะพากันจนํากันได้ที่เทศได้ฟังอธิบายฟังในวันนั้นแยกธาตุซีไปให้เป็นอาการสามสิบสองก็ไม่ใช่อื่นไกลแต่แยกออกจากตัวของเราตัวเดียวก้อนเดียวนี่แหละวันนี้ก็จะเปลี่ยนํานวนที่จริงกันเดียวกันเรื่องเดียวนั่นแหละ เพียงผู้ใดเจ้าท่านบัญญัติเทศนาไว้เรียกว่าธาตุสี่ขันหะอายตนะอินสี่พูดในเรื่องเดียวเนี่ยของกันเดียวเนี่ยที่จะพูดในวันนี้ก็พูดทั้งเรื่องขันหะขันหะคือเชียงในตัวของเราไม่ใช่อื่นใดแต่ขันหะมาเพิ่มเข้าอีกเป็นนามธรรมจนธาตุสี่นั้นกับ มีนามธรรมอยู่ด้วยเช่นดินเช่นน้ําอันนี้มันปรากฏเห็นไฟปรากฏเห็นลมไม่ปรากฏจะเรียกก็เป็นนามธรรมก็ออยังพอเรียกได้แต่อันนี้ยิงเรียกไปกพรานั้นอีกนามธรรมอันนี้รูปคือตัว่าธาตุสี่ดีน้ําไปลงเรียกทบ้านอะไรนั้น อันนี้เาเพิ่มก็อีกเวทนาไม่ปรากฏเห็นตัวคือความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็เวทนาสัญญาคือความจำจดจาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สัขงขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาคือความรู้สึกมีเพิ่มเข้ามา เพิ่มข้ามาเป็นรูปมาเป็นนามรูปมันคงรูปอยู่ตามเดิมจึงรวมเรียกขั้นห้าเรียกว่ารูปกับนามรวมย่ อ, อมารูปกับนามมี่สองอย่างอธิบายความหมายนามให้ฟังอีกหน่อยเวทนาคือความสุขความทุกข์ลึกตารไม่สุขไม่ทุกข์คเฉยเรียกว่าเวทนา โดยส่วนมากคนจะเข้าใจกันได้ง่ายก็คือทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้โดยมากคนไม่ภาถนาทั้งนั้นภาสนา้นสุ ข, ขเวทนาอย่างเดียวความสุขความทุกขน์นั้นคงจะพาการเข้าใจกันดีอยู่ทำยังไนจะเรียกว่าสุขว่าทุกขน์นั้นเป็นยังไงเรียกว่าสุขว่าทุกข์คงพากันเข้าใจกันดีแใจอุเบกขาเวทนานี่ทีอุเบกขาท่านก็นเรียกว่าเวทนาเหมือนกัน ต่ยากจะเข้าใจได้ถ้าหากเราจะมีการคิดใน ม, มีการตั้งเจตอบ้างตัวของเราในขณะใดที่เราไม่เด็กประกอบกิดการงานแล้วไม่เด็ดนึกคิดอะไรมากมายเฉยเฉยนั้นะเรียกว่ารู้เปรีาเวทนาถ้าหากผู้หัดทำสมาธิภาวนาจิตใจถ้าหากรวมเข้าถึงสมาธิหรือเข้าถึงสวังังเมื่อใด จะเห็นชัดแล้วเปรขาเวทนานี่แค่ปรกากฏชัดทีเดียวก็เปรียขาเวทนานี่แค่คือไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเลยเฉยเลยนิ่งอยู่คนเดียวตามเป็นจริงคำที่ว่านิ่งหรือว่าเฉยนั่นนะ่ะถ้าหากพูดอีกนัยหนึ่งก็เรียกว่าสุขเวทนาอยู่ดีนั่นเอง แต่ถ้าไมได้จัดประสุบเวทนาท่านจัดเป็นอุเบกขาเวทนาเฉพาะความสุขนะเป็นของละเอียดเข้าไปอีกว่าสุขธรรมดานี่ถึงเรื่องเวทนาความหมายของคำที่ว่าเวทนาในทีน่นี้ได้เข้าใจไว้ในการที่จะฟังต่อไปเวทนาก็ไม่อยู่ที่อื่นก็เกิดขึ้นที่ตัวของเราเนี่แหละมีที่ตัวของเรานะ่ะ ไม่ได้มีที่อื่นหรอกทุกก็ไม่ทุกที่อื่นทุกก็ไม่ทุกที่อื่นเฉยๆก็ไม่เฉยที่อื่นตัวของเรานี่ยอยงนั้นจึงว่าธรรมมีอยู่ในตัวของเราดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นนี่ว่าเฉพาะเวทนาสัญญาความจำได้หมายรูปทําไมว่าจำได้ในที่นี้จำรูปจำนามจำรูป เช่นจำชื่อจำคนหน้าตาลักษณะผ้าทีอย่างนั้นอย่างนี้หรือวัตถุสิ่งของไม่ใดก็ตามที่ที่เราจําได้เครื่องใช้ไม่สอยที่เราเคยใช้ามาเราจําได้สดตัตวไปตกไหนตรงไหนเราจําได้อันนั้นตัวสัญญาจํานามคือจําชื่อของบุคคลลูกหลานพี่เพียรนอกหมู่เพื่อนของเรากา็ตามเราจาได้ ชื่อไอนั่นอีนี่อะไรต่างๆเราจําได้เดี่ยวจำนานอันนี้เป็นชื่อของสัญญาลักษณะของสัญญาจะต้องใช่อย่างนี้สัญญาเราเอาไปใช้กระตุต้งของเราเนี่ยเอาไปใช้ก็ดีจะใช้ที่ตัวของเราเนี่ยแหละเราใช้เราก็มาเจ็บไอเทีเนี่ยแล้วเอาไปใช้แล้วใช้แล้วก็เก็บไอเทีเนีย่ยไม่ให้คนอื่นเก็บหรอกสัญญาเราจำรูปจาหลาไม่ได้ไปฝากคนไหนหรอกําำจํานึ่ง ถึงแม้เราจะไปเขียนไว้ในกระดาษกระเล่านี่แหละคนจําเขียนชื่อไว้ในกระดาษกระเล่านี่เป็นคนจําจึงว่าเกิดที่ตัวของเราอยู่ที่ตัวของเราอันนี้สัญญายิ่งสังขารเสรแล้วยิ่งใช้มากที่สุดคือความปรุงความแต่งปรุงแต่งโดยประการต่าง อย่างเราปรุงแต่งจะทําการนั่นกา น, นี่อะไรต่างๆที่เราคิดนึกปรุงแต่งอยู่นะเราจะทํางานนั่นทํางานนี่อะไรต่างๆนึกคิดแต่กลางคืนเนี่ยว่าท่านออกไปทํางานเลยลุ่งก้าวมัออกไปทํางานตามปัญหาเทวดาถามพระุทธเจ้าถามพระสาวบอกกลางคืนเป็นควัน รางวันเป็นเปลวได้แก่อะไร้าพภิกษของ์หนึ่งถูกเทวดาถามเขาเลยจนอธิบายไม่ได้จึงเขาไปกราบทูลพระองค์พระองค์อธิบายให้ฟั ง, งมาว่าลางคืนเป็นเปลวก็คือตัวสังฐานตาัวเองคิดนึกฝองอยู่คนเดียวตลอดคืนบางคนอาจจะเคยมีมาแล้วนอนไม่หลับคิดอะไรมากๆแล้วนอนไม่หลับ อย่างสมัยนี้เขาเรียกว่าโลกเซนประสานของน้อยก็กลับคิดเป็นของมากแล้วไม่รีบจบก็สิน้นในผลที่สุดคนที่เป็นเช่นนั้นเกิดโลกเซนประสานพร้อมแห้งสูบจิบนอนไม่ได้ทานไม่ได้มันก็ผอมแห้งเนี่ยเขาเรียกว่าโลกเซนประสานนั่นแ่ะคือกลางคืนเป็นขวันกลางวันเป็นเปลวบางทีจะไม่เป็นเปลวซ้ํา คิดนึกตลอดคืนรุ่งรุ่งเช้ามาไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ทํำสิ็งเดียวน่งถ้าหากบางคนนะรุ่งเช้ามาแล้วคืนเตดึกเล่ยไปทํางานตามที่ตนคิดนึกไปแต่ก็ยังไม่ไม่หมดคือไม่เป็นเปแล้วทั้งหมดแต่กแสดงเป็นเปลวมาบ้างอันนี้ตัวทั้งขานดีๆนะให้รู้จักหน้าตาตัวทั้งขานไว้ มาแต่อย่างเงี้ยทั้งขานไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเรานะั้นวิญญาณความรู้สึกวิญญาณความรู้สึกในที่นี้นั้นพูดทั้งเรื่องวิญญาณในที่นี้เรื่องในวิญญาณในขันหานี้นั้นวิญญาณเกิดจากอายตนะทั้งหก ไม่ใช่วิญญาณตัวเดิมที่วิญญาณทีติวิญญาณคือวิญญาณที่ตัวปฏิสนธิครั้งแรกที่เรามาเกิดนั้นท่านก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันแต่วิญญาณนี้นะมีแต่จะมาเรียกเอาอนะั้นไม่ได้หมายเอาอนะั้นหมายววิญญาณที่รู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเช่นเราได้เห็นสิ่งใดๆทั้งหมดพอไปเห็นครั้งแรก เกิดความรู้สึกเป็นพับเดียวเรือได้ยินเสียงอะไรเกิดความรู้สึกขึ้นทีแรกพักเดียวตัวรู้ทีแรกนั้นเรียกว่ายินยานตรงนี้เป็นของละเอียดหน่อยถ้าหากผู้มีภาวนาทำสมาธิตามจิตของตนได้จะเห็นชัดยินยานเถอะนะพอเราได้ยินเสียงเนี่ย ได้ยินเสียงอะไรกระตามเถิพอได้ยินครั้งแรกมันกระทบครั้งแรกอันนั่นเป็นตัววิญญาณแต่พอมันซ่านไปช่วงไปจาว่าเสียงสัตว์เสียงเตลือลเสียงปู่เสียงพลอันนั้นเป็นตัวสั้นยาไปร็่แล้วไม่ใช่ตัววิญญาณถ้าหากเราก็เราว่าเพราะ หรือว่าไม่เพาะหรืออย่ากให้มันเพาะอย่างนั้นอย่ากให้มัเพาะอย่างนี้อันนั้นมันกลายเป็นตัวสังขานไปเสียแล้วถ้าหากเราพอใจแล้วไม่พอใจมันกลับกลายเป็นตัวกิเลสคือความชอบและไม่ชอบเกิดขึ้นมาใจมันยืดออกไปขย า, ายออกไปจากตัเกิดวอย่าณเดียวนะี้เห็ น, นั้นเป็นของละเอียดมากหากใครทําสมาธิไม่ทันได้ หรือไม่ถึงไม่ทันถึงตอนนั้นจะไม่ทันรู้ตัวของเราไม่รู้เรื่องของเราว่าอะไรเป็นตัววิญญาณอะไรเป็นตัวสัญญาอะไรเป็นตัวเวทนาเช่นเราชอบใจในเสียงเมื่อเรากระคบทีแรกเรียกว่าวิญญาณเมื่อเราจาได้เสียงนั้น พอเสียงอันนั้นอันนี้เสียงอะไรต่อะไรต่างเช่นเราเสียงเคราะเราชอบใจเป็นเวทนาเสียงกัดไร้ต่างๆพอเราจาม้นอเป็นเสียงเสือหรือเสียงกัดไร้ต่างๆรากลัวอันนั้นเป็นตัวเวทนามันต่อเนื่องกันไปถ้าหากผู้ที่ได้หัดภาวนาแล้ว ให้จิตไปอยู่ในอันเดียวอารมณ์เดียวเราตั้งสติกำหนดจิตดีๆเมื่อเสียง ม, มากระทบเขาแล้วเรายังจะแยกหรือจัง จ, จะจับเรื่องวิญญาณตัวนี้ได้นี่ไม่ฉะนั้นเราทำอย่างนี้กันแล้วกันเรานั่งดีๆมีสัตว์อะไรมาตัดขึ้นยุงง้ดยริ่นก็นเอาเถอะ ประกาศแอบเท่เขารู้สึกที่ได้เห็ตัวนั้นตัววิญญาณนีว่าถึงเรื่องขันหานนามะธรรมคือเวทนาสัญญาแสงขานวิญญาณสี่อย่างนี้เป็นนามคือไม่เห็นตนเห็นตัวไม่มีตน ม, มีตัวมีลักไอมีแต่ลักษณะอาการในปรากฏอันขันหานี่แหละมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต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 ทุกครั้งนิคิปตาวาสรุงผาลังอัมยังผาลังนาทิยะถ้ากันแปลกันอยู่แล้วแต่าบางคนอาจจะลืมพิจหรือไม่พิจารณาต่างก็ได้ถ้าพิจารณาดรวยของลึกซึ้งเลยเรื่องนั้นพาลาทานาพาลาฮาเวปัญจพันธา ขั้นห้าเป็นภาละอี่ท่านแปลขั้นห้าเป็นภาระเว่ยว่านนั้นคำว่าเว่ยนะั่นเป็นคำลากท้ายถ้าอยากพูดกันอย่างภาษาของบ้านเราของเราขั้นห้าเป็นภาละเนี่ยนั่นทำไมไม่ดูคล้ายๆแต่ใจเป็นธรรนองนะขั้นห้าเป็นพาระนะทําไมไม่ดูคล้ายๆกับ เ, ต เ, ตนนเป็นธรรนอะง ซึ่งเข้าใจเพิ่งคิดถึงว่าทำไมจึงเรียกว่าเป็นพาระคันหาพาละนั้นท่านเรียกว่าอย่างที่เราพากันพูดพูดถยวคําว่าเป็นพาระธุระนั่นนี่อะไรต่างๆคือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องที่จะต้องรับธุระหน้าที่ทุกจริงทุกการจึงเรียกว่าภาระหน้าที่อะไระ ผันหมันเป็นหน้าที่อะไรรูปเป็นหน้าที่ที่จะต้องบำรุงบำรุงเลี้ยงดูรักษาภาระไหมคิดลอ ง, งคิดลองดูสิเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีสบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องบริหารรักษาอยู่ดีสบายก็ต้องมีเครื่อง เ, เพิดเพลินให้สนุกสบาย หยวห้อยก็ต้องหากระมืบบรุงรักษาภาระทั้งนั้นถ้าอิม่มเกินไปก็อึอดอัดไม่สบายเวทนาเกิดขึ้นมูเวทนาหมูทังหาน่ะมันอยู่ด้วยกันเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สบายก็เป็นภาระมารู้สึกคือตัววิญญาณเกิดความรู้สึกสิแล่เรานี่เป็นคนรับคนเดียวฮะฮาดาฮาเวเปันจากกาาันธาน ทั้งทั้งห้านี่เราแบกทีเดียวไปไหนก็เราต้องแบกไปหามไปทั้งทั้งที่เราเป็นพาร่าของเราอยู่แล้วไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องบํารุงรักบำรเลอร์แล้วรักษาบริหารได้ประกฉานนี้ไปยังไม่หามท่านเราเป็นคนแบกอยู <c oughs> ่ครับงาลาฮารูจะปุกฮโลูเนื้อความกับคล้ายกันอะไรนี่ เมื่อเป็นภาระราศเราก็เป็นคนแบกบไปไหนแล้วก็แบกไปด้วยอจะไปฝากคนโน้นคนนี้ฝากไม่ได้หรอกจะฝากพ่อแม่พี่น้องญาติวงศ์กระชาฝากไม่ได้ทั้งนั้นอย่างลูกลูกกันหลานยังเด็กยังเล็กเด๋ยวเราจะไปฝากคนโน้นคนนี้เลี้ยงดูรักษาให้คําว่าภาระด็กที่นี่เนะ่ยตัวของมันนั่นก็เป็นพระาของมันอยู่แล้ว เราไปฝ่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องเป็นพานาของเราอีกเรื่องและตัวมันเองมก็เป็นพานาอยู่อีกเรื่องหนึ่งตัวมันมันกับมันไปทั้งหมดแล้วตัวขันหาือนกันลูกเกิดขึ้นมาตัวขันหามล้านเกิดขึ้นมาสันหามเล่นเกิดขึ้นขึ้นมาตัวขันหามคล้ายๆเกิดขึ้นมาเป็นขันหามทั้งหมดจะไปไว้น้อยมันก็ไปมันแปกของมันอยู่แล้วถึงเราจะฝากคนอื่นก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องฝากขันหานั้น ขั้นห้านะ่ะมันเกลดตัวของมันมันก็นนนกนแบบขิของมันอย่างงั้นที่พุทธเจ้าท่านพาลาฮาโรเจบุคโลไม่ได้หมายว่าพ่อแม่เอาลูกไปฝากให้คนนั่งคนนี้เลี้ยงให้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าทุกคนต้องพากันแบบ็ดคือจะต้องรับความรู้สึกว่าสุขทุกอะไรต่ออะไรเวทนาสัญญาทังขั น, ขนวิญญาณของแต่ละคนคนนัมีครบมูลโมลดิบูลหมดนี่ต้องนําไปอย่างนี้ ทาราฮ า, ฮารูจะพุชคารูเจ้าเลียวอะเป็นการนําไปทาราเป็นของนําเรานําไปทาราธานังทุกขังโลภีทุกอะไรจะเท่าทุกขันไม่มีทุกอะไรก็ทุกไปเถิดทุกรสอยากหากินไม่พอปากคอท้องมันก็ขันตัวเดียวนี่แหละอันนั้นเป็นเรื่องหาไม่ เขอยู่พอกินเนี่ยเรื่องหายากลําบากนนั้แต่ว่ามันมาทุกตัวนี้มีรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนักอกหนักใจบริหารรักษามันก็นทุกตัวนี้มีอันอยู่ของกินร่ำรวยสนุกสบายมันก็นตัวนี้ทุกก็เป็นเวทนาทุกกะเวทนาทุกก็เป็นเวทน า, ทนนามันก็นตัวนี้ เนื่องว่าตัวนี้เป็นคนแบบตัวนี้เป็นคนถามทาราทานังทุกขังโล ก, กีที่ท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์นั้นเพราะว่าคนเราทั้งหลายโดยมากรู้จักแต่สุขคือมันชอบแต่สิ่งที่เป็นสุขทุกข์นั้นไม่เคยชอบจึงเลยเชี่ยวเรื่องทุกข์นั่นแหละมาเป็นเหตุในคิดว่าเป็นจริงสุขและทุกข์มันอยู่ด้วยกัน มันอันเดียวกันน่ะเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือทั้งฝ่านั้นหมายความอธิบายว่าหมายความมันก็เป็นสุขนะเศรษกุศมันก็อยู่ทั้งหลังนั่นแหละอยู่หลังมือนั่นแหละเพราะความมันก็เป็นหลังมือคำว่าสุขอาราทานังทุกขัขงโลกเจศที่พระเจ้าเจ้าท่านแสดงว่าทุกข์นั้นคือว่าคนไม่เห็นโดยสมวนมาก ค, คนไม่ชอบชอบแต่สุขจึงได้แสดงทุกข์คือไม่เห็น อย่างว่าเรามีความสุขกายสบายใจที่เราพากันพูดๆกันทวันเรื่องนี้มีอันอยู่อันกินอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้สอยสนุกสบายมีคนเยยมเยี่ยมนองน่องสนเสริญมีชื่อเสียงคดิยอดดังดังต้องคิดดูมีเงินมีทองมีเข่ามีของมีอันอยู่อันกินสมบูรณ์บริบูรณ์มีคนชมเชยย่องย่องสนเสริญ นิจเกติยศที่ยื่นลงดังสุขไหมคนยังไม่ทันถึงข่าวเช่นนั้นจะรู้สึกว่าได้ความสุขถ้าหากใครไปถึงเช่นนั้นขาแล้วจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสุขเป็นผู้ใหญ่ว้างกำนันเขาลไว้เบื้องเขาไว้วางใจเขาน้านาาทือตาเขาจะยกย่อเป็นผู้ใบางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านกำนันทำไมเขาจึางยกย่องเพรารับหน้าที่หรือรับภาระเขาพูดกันง่ายเรียกว่ารับใช้เขานั่นเลยสุขคนรับใช้เขาหรือสุขคิดคิดเดวตรงนี้แล้กัแล้วครับถ้าคนไม่ยอมรับใช้เขาเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้เปิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนาย การวันแล้วเดิงแต่รับใช้เขาทั้งนั้นแล้วสุขต้องไหนระคานี่ที่เราว่าสุขนั้นมันไม่ใช่แต่แล้วอันคําที่ว่ า, ว, าว่าสุขนั้นเป็นคําที่เราลุ่มหลงเป็นเรื่องที่เราลุ่มหลงโมลต่งางัากเข้าใจว่าเขายกยอชมเชยเขาให้เกลียดให้นานเขเข้าใจว่าเราดีเพราะไม่จริงนะของไม่ดีมันซ่อนอยู่ข้างหลัง มันอยู่ข้างหลังคือหลังมือเด่นมันซ่อนอย่ในนั้นคนไม่อยากเห็นในเรื่องนั้นพุทธเจ้าจะคุยเอมาอธิบายให้ฟังพาราทานางทุกขังโอเคก็เช่นเดียวกันเราได้เป็นมนุษย์บรุษยายหญิงนี่แหมดีโจดีใจนะนะสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทั้งอย่างดีกว่าตัดตัวนั่นตัวนี้อะไรต่างๆพราตสุแล้วไม่ได้ในธํานองขนเสร็จแค่ที่จริงนั่น เราได้มาเป็นมนุษย์บรุษัช้หญิงนั่งคือได้ก้อนทุกข์ดีๆนี่แหละก็ดังอธิบายไปแล้วดวยเ บ, บตน้นแบพาลาธานั ง, งพาราฮเวเป็นจักรคันธามันเป็นพาลพาราธานังทุกขรั้งเอพาลาฮโรจะปุพพโลมันเป็นพาระของเราเราต้องนําอันนี้ไปอาการที่แบกที่น้ำมันอยู่ตลอดเวลานั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกสุขสบาย ตอนใม้อื่นไกลแล้วแหละตัวของเรานี่แหละพูดถึงเรื่องตรงของเราอย่างเดียวเราจะนํามันไปทิศเหนือทิศใกล้แต่วันดกแต่วันดอกจะไปไหนก็ไปเถอะนํามันกายดีไปว่าได้ตนได้ตัวลแล้วแห่ดีใจสบายไปไหนก็ได้คลองแก้วหาก็ไม่ฮักแขนก็ไม่ฮักตาก็ไม่บอดมุ ก, ก็ไม่หนวกไปเทิดไปไหนก็ไปเถจะไปได้กี่มั่งน้อยเดี๋ยวจะเหนื่อยหรอก เดี๋ยวก็นเน็ดเหนื่อยแล้วดีไมด่ดีเดี๋ยวไปหกล้มไปเจ็บปวดตั้งอีกนั่นหนาวกอนทุกไปแบดกอนทุกไปมันปรากฏสมัยาชาติอย่างนี้แหละยิงว่าตัวของเราเข้าใจว่าได้ของดีจะ แ, แ ท, ท้จริงไม่มีอดีอะไรเลยเนี่ยพระเจ้าทั้งสอนให้เราเห็นของไม่ดีอย่างนี้พวามจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอันความดีที่มนุษย์ ชาวโลกของเราพากันนุ่มหลงว่าดีๆนั่นมันกลงกันข้ามกับคําสอนของพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าเห็นเป็นคนละเรื่องครับถ้าคนหลงมัวเมาอย่างนี้แล้วพุทธเจ้ายัางสอนเอาของจริงมาสอนถึงสรนของจริงคนเราเมาอยู่จึงไม่รู้จักของจริงจึงไม่เข้าใจเรื่องของจริงกับภาราทางนางทุกขังโลเกเนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องเลยแท้จริงก็เป็นจริงอย่างนั้นจริง ตอนทายท่านเียงว่าภาระนิเขปะนังทุกขงังทุกขงังถ้าหากทิ้งภาระอันนี้เสียได้แล้วเป็นสุขนิชกิปิตวาขรุงพาหลังอัญญ์ภาลังอนาทิยะเมื่อทิ้งแล้วไม่เอามาแบกไว้ไอีกให้เอามาเป็นภาระอีกทิ้งได้อย่างไงธานีกับของเราได้มาตั้งแต่เกิดมันจะทิท้งยังไงกัน มันก็เป็นของเหลือวิสัยเหมือนกันแต่ไปทิ้งให้ใครก็ทิ้งไม่ได้แตอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นเอารูปไปทิ้งให้นคนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้แล้วหลายไปทิ้งให้นคนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้ทิ้งไม่ก็ไม่หมดมันก็นยังทุกข์อยู่เท่าเก่าไม่มีหนทางที่ทิ้งแบบนี้ไม่มีหนทางพระพุทธเจ้าถ้ามีวิธีทิ้งแดดหนึ่นจงจางหั้สำคัญ ที่ท่านจะเอามาพูดในเราฟังก็เพราะท่านทิ้งแล้วท่านเห็นมีแบบของท่านแล้วมีแบบอย่างของท่านแล้วท่านจะมาสอนพวกเราวิธีทิ้งของผู้ได้เก่าวท่านทิ้งโดยการสลัที่จะสลักก็เพราะมารู้เท่ามาเข้าใจเหตุนั้นจรงนาเอาเรื่องขันหามอธิบายให้รู้เรื่องของขันหาหนาตาของขันหานักตณะอาการของขันหานเมื่อว่า ขันห้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้แล้วรู้เรื่องของขันห้าเช่นคของเกิดมันเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เมื่อเรามารู้ว่าขั้นห้าตัวนี้นะ่ะคือธาตุสี่ถึงมันแตกมันดับก็เรียกว่าธาตุสี่แตกดับเนี่ยถ้ามาันเจ็บก็เหมือนกับธาตุสี่มันดิน คือมันแตกมันบินหมือนไม่ทันดับมันตายนี่คือธาตุสี่มันแตกไม่ใช่มันบินจึงได้ขยายทั้งเรื่องธาตุสี่ให้ออกเป็นส่วนทึงอาการจากทิศสองเพื่ออธิบายในบนต้นที่ว่าเป็นใจธาตุสี่อธิบายฟังเมืออวันพระก่อนเมื่อผู้ไม่เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้ว เก็บไข่ได้พวจะหออยุดไม่อยู่ดีสบายล่มตายเลยก็ดีแล้วไม่เห็นชาติตาไม่จริงว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอันเป็นสักได้ว่าธาตุแตกขันดับไม่ใช่ตนเทิดตัวแก่ธาตุแตกขันดับหรือธาตุบินขันดิ น, นไม่ใช่ใครทั้งหมด เมื่อเราเข้าใจชัดตามเป็นจริงเจนนี้แล้วเราจะไม่เข้าไปยึดอำนัาจเป็นของเราอาการสละสละโดวยวิธีอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นชัดตราบใดแล้วยังจะยึดเราเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาพระเดจจ่าทั้งเจ้าตราดเทสนาอุปาทาเนยพยังทิดสว ย, ยาติวราณาสังขายถ้าหักไกลมาด้วยจัก มาเห็นไทเนันโทษในอุปทานในขันธึกการเข้าไปยึดขันห่านี่ว่าเป็นตนเป็นตัวเมื่อไหรแล้วก็จะไม่พ้นจากทุกข์ถ้าหาก่าเห็นไทยของการเข้าไปยึดถือขันห่าดังเทติบายนัยึดว่าเป็นของตนงตัวแล้วก็จะชินพบชินชาติไม่มีเวียนว่าจะเกิดต่อไปนี่วิธีทิ้งของพุทธเจ้าจริงอย่างนี้ ทิ้งโดยการรู้เท่าทิ้งโดยการเข้าใจตามเป็นจริงนี่เฉพาะรูปท่านี้ถ้าเวทนาแล้วเกิดขึ้นมาเจ็บมันก็เจ็บที่หัวใจของเราที่ตวงเราจะทํายังไงได้ถ้าหากผู้มาพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเข้าใจดังอธิบายมานั่นเข้าใจนะไอเวทนาท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับน้ํามันเหมือนกับฟองน้ํา รูปนั้นท่านอุพมาเปียบเหมือนกันกับเหมือนกับคลื่นรูปนั้นเปียบมืนกับท่าน่ะเทนุกินุอุพมาดูปารูปนั้นอุพมาเปรียบเหมือนกับฟองน้ำํำฟองน้ำนะมันเกิดมันดับแล้วก็คงจะเคยเห็นน้าที่มันตกจากเพตาทางบน ตกมาข้างล่างมาถูกน้ําข้างล่างนั้นก็เป็นฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นฟองแล้วจะแตกลงไปและการอื่นๆตกมาแตน่ายิ่งมันก็ฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นามาแล้วก็แตกลงไปเป็นน้ํำข้างล่างไม้ค ว, ว้ า, ามันน้าแสดงฤทธิ์เอาว่างกันง่ายว่นาน้ําแปรสภาพขึ้นมาเป็นฟองฟองดับจะไหลไปเป็นน้ํนาน้ําแปรสภาพขึ้นมาเพราะถูกของกระทบมาจากข้างบนขึอ้อหยาดน้ามาจากข้างบนมาถูกข้างล่างแล้มันก็เป็นฟองก็เป็น ฟองขึ้นมาใ น, นมันแต่จะพากขึ้นมาแล้วมันก็สลายดาวลงไปคนเราก็เช่นนั้นเหมือนกันเกิดมาจากดินก็สลายเป็นดินที่มันเกิดขึ้นมาจากดินหนึ่งคือดินน้ำไพลลมดังอธิบายให้ฟนะังมาเป็นรูปร่างลักษณะหูตาอวัยวะทุกชิ้นส่วนจะแตกต่างๆกันเช่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนดำคนขาวคนอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างคนต่ำคนสูง คนเล็กคนเดียวอะไรคนว่อนคนผอมอะไรก็ตามเรื่องเถอะอันนี้มันเป็นฟองน้ําำ น, นี่ตอมน้ํามันเกิดขึ้นมาจากน้ําอันนี้มันสลายออกไปก็เป็นดินน้ําของเก่าแล้วเป็นดินน้ําไปลมของเก่าไม่ไปที่อื่นที่ไกลท่านอย่าเพลินุปมาดูป่าเหมือนกันกะฟองน้ําเวทนาปปา ร, รุปรมา เวทนานั้นท่านโอบามาเปลี่ยนมันก็ขึ้นมันกระทบฝั่งถ้า ม, มีเรื่องกระทบมันก็ไม่ปรากฏมันก็ไม่มีเสียงมันมีสิ่งกระทบมันไม่ก็ปรากฏุดไม่ค่มีเสียงเมริจีรุกามาสัญญาสัญญาคือความจดจ่อมันกับพยับแดดพยับแดดนั้นเวลาดดแดดร้อนๆนะก็คงจะเห็นเราลงไปทุ่งว้างแล้วมองไปแดดร้อนๆนั้น ดูข้างหน้าเปนยิบยยมยักยมยยักยืเป็นต้นเป็นตัวจริงๆจริังเวลาเข้าไปใกล้ได้หายไม่ทราบไปไหนไม่มีตัวไม่ตัวสัญญาคือความจําเราจําอะไรก็ตามเถอะเหมือนกับเป็นจริงเป็นจังทุกจริงจุกงที่เราจำไปนะแต่เวลาเข้าไปดูจริงๆไม่มีเหตุนั้นนี่ว่าสัญญา ถ้าหากเรามาเข้าใจทั้งเรื่องสัรยาตามเป็นจริงแล้วแล้วปล่อยวางทันห่างทั้งคาราการตะรูปรมาท่านอุปมาเปรียบกับตนกล้วยธรรมชาติอาาของตนกล้วยแท้ๆนั้นมันไม่มีเกณน์หรอกมีท่านอุปมาเปรียบเรียบร้ายด้านหลายทางที่ว่าทุกที่มาทําความรู้เท่าเข้าใจทั้งเรื่องทันห่า แล้วจะปล่อยวางอุปทานขันได้เพราะขันห้ามมีสาระอย่างรูปอธิบายฟังแล้วเวทนาอธิบายสัญญามันก็ไม่มีส่วนนี้ไม่มีแก่นไมส่สังขารก็ไม่มีแก่นไม่ใส่ทําไมจะไม่มีแก่นในขันทั้งอันอย่างแล้วเพชอัดไม้จะไล่จากฝ่ามาปรุงเป็นบ้านเป็นเรือนอย่างสลอมฉลางเงี่ยนี่ก็เป็นตัวในตัวขึ้นมาไม่แ่ลือเป็นร่างคาขึ้นมาได้ไใน่แฉลือ จะไปเรื่อย่างกับสังขารเป็นตัวหนึ่ตัวจะไม่มีแก่นวิสานึางไงอะ่ะอันนี้เป็นของตื้นๆรอก น, นี้แล้วมาปรุงมาแต่งขึ้นมานี่นี่ที่นี่แหะมาปรุงมาแต่งให้มันจบให้มันสวยงดงามาห้มันคงท่าวร์อยู่ไปอยู่ไปโดยไม่ได้นึกคิดเลยก็อย่างทลายเราเนี่ยไม่รอมาแต่คลื่นเดียวเท่านั้นหายวับไปเลยชิ่ง มันเห็นปรากฏชัดทีเดียวนะไม่มีสาระอันนี้อันนี้ก็อยู่ไปไม่กี่ปีเดี๋ยวกับทังละลายไปหมดทั้งละลายไปไหนก็ไปลงที่ดินของเก่าหนึ่งสังขาคือตัวของเราเป่นเดียวกันถ้าสรุปรวมอีกในหนึ่งตัวของเราเรียกว่าตัวสังขาสั้งขาแต่ทังขาธรรมตัวที่เราเกิดเป็นตัวในตัวนี้เรียกว่าลูกเรียกว่าสังขาธรรม คำว่าสั้ขงขายคือเกิดจากการปรุงการแต่งของเราเนี่ยก็เกิดจากการปรุงการแต่งคือดินน้ำพายลมนั่นอาศัยบุญกรรมปรุงแต่งเป็นรูปเป็นายขึ้นมาแล้วก็ดูสิเ่ะแต่แล้เกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กแล้วหายไปไหนเวลานี้ไปะเด็กไปอยู่ไหนกันแล้วมันมีสาระอะไรกันตรงนั้นแล้วนุ่มสาวน่ะแล้วผ่านแล้วไปไหนกันหมด นานๆว่าเจี๋ยที่แจี๋ยเดี๋ยนี้มันก็จะไปทังหมดอีกละแล้แลพืชทุกอยก็จะต้องดับอีกแล้วมันได้อะไรได้ผลเนื้อก็ไม่ได้กินนั่งก็ไม่ได้นั่งตัวตนของเราทั้งหมดไม่มีใครจะเคยเอาไปทําประลาไปทำปลาปปส้มกินหมดไม่มีเรื่องมีเราได้เลยทิ้งเราแม่ที่สุดจะหนอนแร้งกาก็ไม่ได้กินําไว้ฝังทิ้งทั้น มันมีอะไรบ้างเหลืออยู่ในนะในตัวของคนเรามีดีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นพระละคนอื่นแล้วเขไม่มีดีเลยพอตายเ้าก็เป็นพระคนอื่นอีกแล้็อย่างเทว่ากันนะ่ะคนตายขายคนเป็นต้องทําศพทําเองก็ให้กุศลกุศลมีหน่นนนนนายไม่เกลียดเพราะทําศพเจ็บเละลูกหลาน ท, ที่ยังไม่ตายเยจนหมดเป็นหนี้เป็นสินเขาก็แย่มันได้อะไรกันนะ่ะของคนนะั้ ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหลือเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสังขารเป็นของการเป็นจริงดังนี้แล้วเมื่อเรายังครองสังขารคือว่าเรายังมีชีวิตอยู่มีสิ่งที่ให้เราคิดในพิจารณาดังอธิบายมานี่ยลูกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารมั น, น, น, นเป็นอย่างนี้นี้วิญญาณมันเป็นอย่างนี้นี่แล้วเราจะได้ เมื่อเรามาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วปัญญาทูบายที่เราได้จากการคิดการค้ น, คนการพิจารณาเห็นตามเป็นจริงนั้นรูปเวลามันเจ็บมันป่วยเวลามันแตกมันสลายแล้วก็เห็นเป็นสัดแต่ว่าดินน้ำไฟลมเวทนาคือความตุกทุกเกิดขึ้นมาก็้งผู้ปมาเเสียมันก็เกิดขึ้นกระทบฝั่ง มันม า, าประเดียบพดาวก็ ops, หายไปลูกอื่นมากระทบอีกแล้วก็หายไปลูกนี้กระทบหายไปคิดดูสิเวทนาตั ops, ้งแต่เกิดมาเนี่การร้องไห้ร้องห่มแล้วก็เคยร้องไห้มาแล้วเจ็บไข่ได้ป่วยแล้วก็เคยเป็นมาแล้วเจ้าโอเคใจแล้วก็เคยเป็นมาแล้วมันหายไปไหนหมดนันหมู่นั้นมันก็หายไปงั้นน่ะมันก็เป็นคลื่นเป็นก้อนมันก้อนมาเป็นลูกเป็นลูกมากระทบแล้วก็หายไปแล้วมันเป็นอยู่เดียดนี่เชื่ยงเป็นอย่างนี้มันก็ต้องหายไปงั้นเหมือนกัน เมื่อเรามาเข้าใจเร่อ น, นี้แล้วเราก็จะได้เห็นโทษขอเวทนาเพียงแค่นี้เองไม่มีสาระอะไรหรอกเขาแค่ปล่อยวางไปได้สัญญาคือการจำกันเหมือนกันเราจำนั่นจำนี่อะ้รเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วก็จำอันอื่นต่อไปก็ลืมไปในผลที่สุดจำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีเหลือสักอันเดียวนี่เราได้ความรู้จากมันเพราะมันมีสัญญาถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่ได้รู้ควมรู้จากสัญญาตัญญา้งฐานมวลนี้รูปหมวลนี้ เราได้ความรู้จากมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสั้งขารที่เราปรุงมาแต่งนั้นเราไม่เอาเป็นจริงเป็นจังทักจเอาเป็นเครื่องใช้ใช้ไปได้ก็ปล่อยทิ้งซะยาวมาหนักไมไ่อกในใจของเราเราก็จะได้ความสุขความสบายวิธีทิ้งของคุณเดียวยาวนต้อสอนอย่างนี้วิญญาณเมื่อมันกระทบแล้มันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปเกิดความรู้สึกมันก็ไปเร็วอย่างที่อธิบายฝั่งมาในเบนนื้องต้น สัมผัสรู้สึกไว้ก็หายไปมันเป็นสัญญาสังขานไปเลยไปเวทนาไปหมดครับหายไปหมดไปหมดไปจึงว่าไม่มีสาระอะไรเลยสาระที่เราจะพึงได้จากมันก็คือได้ควมรู้เราเอาอันนี้มาคิดคิจรารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วแล้วปล่อยวางลงไปได้วิธีปล่อยวางพุทธเจ้า ส, สอนให้เราปล่อยด้วยวิธีอย่างนี้นี่ว่าภาระนี้เข้มปัณังทุกขงังทุกขงัง ถ้าหากว่าพาการปล่อยภาระอันนี้ให้หมดไปได้เราจะได้รับความสุขถึงแม้ทุกอยู่มันก็ไม่ไปรบกวนใจอันนี้เป็นคำพูดที่ฟังได้ยากทุกทำไมจึงจะไม่เข้าไปรบกวนใจเจ็บหัวปวดท้องอยู่ไม่อยู่ดีสบายเป็นไข่เป็นหนาวมันไม่ระรบถึงใจได้อย่างไรเป็นจริงถ้าหากคู่มาคิดค้นพิจารณาดังอธิบายฟังมานี้ จิตใจถ้าหากเข้าไปอยู่ อ, อยู่ในที่สงบเป็นเอกเทศตัวนหนึ่งเข้ามาตั้งหาแล้วจิตอันนั้นจะมามองเห็นเวทนามันีช้ชัดทีเดียวไม่เห็นขั น, นตัวนี้ชัดทีเดียวไม่ได้ไปรบกวนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์หรอกมีเวทนาสัญญาตั้งขานชัดแต่ว่าเวทนาสัญญาตัญญา้งขานมีอย่างแต่มันไม่ไปรบกวนจิตใจให้ได้รับความทุกข์เดือดอร้อนข้ อ, อ น, นี้ถ้าจะพูมาให้เปรียบเทียบไปฟังอย่างชัดต่อ ก็จะเห็นได้กับเสียงแค่นี้คือว่าเช่นเรามีสิ่งใดที่มันเป็นเครื่องชอบใจของเราอารมณ์ใดเป็นเครื่องชอบใจเอาดูกันอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเราไปดูภาพยนตร์หรือไปฟังเขาขับเ้าเพลงอะไรต่างๆมันเพลินสนุกกับเรื่องานั้นที่เรานั่งเหนื่อยนะ่ะจะลืมไปที่เรานั่งเหนื่อยลืมไปหรือยุงลีนกัดอะไรจะลืมไปเลย จิตเราจะไปจดจ่อเพลินอยู่กับเรื่องสนุกที่เราติดเราชอบใจนี่พอจะเทียบกันได้ถ้าหากเรามาหัดจิตคิดเจรณาธรรมะให้เป็นธรรมทั้งหมดเวทนารูปเวทนาสัญญาทังขาดวิญญาทั้งหมดนี้พิจารณาให้เป็นธรร ม, รรมทั้งหมดนะเห็นชัด ต, ตาเป็นจริงอย่างนั้นแล้วเราจะเพลินสนุกอยู่กับความรู้วนนั้นอันเวทน า, รร า, รราสัญญาทั้งขาดวิญญาเกิดขึ้นมาก็จะไม่ไปบรบกวนความสุขหรือความเพลินของเราในที่นั้น จึงเรียกกวเวทนาไม่สุขควรนี่พอจะเทียบเทียงพอจะเข้าใจกได้นี่ว่าทังงาา้งเรื่องขันห้าอธิบายทังเรื่องขันห้าในวันนี้ว่าธรรมะคาสอนพระเจ้านั้นสอนไม่ใช่สอนที่อื่นที่ไกลสอนธรรมะคือสอนที่ตัวของเราสอนท่นาจีขันห้าคืขันห้าโดยที่ตัวของเราไม่ใช่อื่นไกล ถ้าตีว่าทั้งเรื่องรูปก็ว่ามาแล้วคราวนี้เพิ่มเข้ามาอีกสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขาร น, นิยามก็อยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ใจดังอธิบายในฝั่งนี้ธรรมะท่านต่างหากว่านอกจากจองเราแล้วออกไปข้างนอกจะไม่เห็นของจริงถ้าพิจารณาในนี้จะเห็นของจริงธรรมะท่านนี้จากจองเราเรียกว่าธรรมแต่ อันนั้นเป็นทําแต่ไม่ใช่ทําเป็นก้อนทำแต่ได้กระจายกระจายกันจับไม่ได้คือไม่รู้ชัดตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มันมีหลักที่จรน า, นาธรรมะจะให้หนีจากธาสี่ขันหะ 5, 4, 5. อาจารย์ทนายจะอธิบายต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้อธิบายได้เพียงในขันหะฉวันนี้ ถ้าหากจับอันนี้ได้แล้วพิจารณานี้อยู่ตลอดเวลาแต่จะอย่าพ า, าไปนนิ่งนอนอยเฉยและสงบเยืยเฉยไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความปัญญันไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรหรอกนิ่งนิ่งเอเฉยไม่ดีจะรวมหรือไม่รวมจิตจะสงบหรือไม่สงบขอให้นอกมาทำคําสอนที่อธิบายฝั่งนี้เอาไปคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลา